ตอนที่หนึ่งร้อยสามคลอดออกมาเป็นตัวล้างผานโจเจียนเย่ยรู้ดีว่าหากเขาออกไปยืมเงินคนอื่นคงไม่มีใครให้เขาเคยลองมาแล้วก่อนหน้านี้ในตอนนี้นอกจากไปยืมเงินจากประกูลหลิวแล้วเขาก็ไม่มีหนทางอื่นอีกหลิวเคอเคอเป็นลูกสาวของพวกเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่คงไม่ใจดําถึงขนาดเห็นลูกตัวเองตายโดยไม่ช่วยหรอกมั้งโจเจียนเย่ยคิดเช่นนั้นเขาขมอารมณ์เอาไว้แม่ครับแม่ช่วยเฝ้าอยู่ที่นี่ให้ดีก่อนผมจะไปยืมเงินเดี๋ยวนี้แหละจะยืมอะไรกันนะกันหนายืมเงินแล้วไม่ต้องคืนหรือไง ใครพูดอะไรแกก็เชื่อไปหมดเราไม่ทําผ่าตัดอะไรทั้งนั้นกลับบ้านไปแม่มีวิธีหนิวซูเฟินดึงแขนโจเจียนเ ย, ย่ไว้ไม่ยอมให้เขาไปท่าเดียวเจียนเ ย, ยเรนี้แกต้องฟังแม่แกมีประสบการณ์หรือแม่มีประสบการณ์กันแน่เราออกจากโรงพยาบาลกันเดี๋ยวนี้เลยโจเจียนเ ย, ยเริ่มลังเลหลหวานมองดูพวกเขาด้วยสายตายเยนชาคนประเภทนี้ชาตินี้คงเปลี่ยนสันดานไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนหลีชิงผิงก็เคยต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้มาแล้ว เพียงแต่ตอนนี้ถึงคราวของหลิวเคอร์อเคอบ้างเจ้าชุนฮวาแทบจะกรอกตาขึ้นไปถึงสวรรค์ดูสิว่าคำพูดคำจาของยายแก่นนี่มันระยำแค่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องของครอบครัวตัวเองนางคงไม่เข้าไปยุ่งหรอกยิ่งเห็นแบบนี้ในใจนางก็ยิ่งสงสารหลีชิงถิ่งมากขึ้นท้องแรกนั้นอันตรายอยู่แล้วหากไม่ระวังอาจจะตายทั้งกลมได้แม่ครับผมจะไปยืมเงินที่บ้านตระกูลหลิวโจวเจี้ยนเย่กล่าวอย่างจนใจ ผมจะรีบปรับมาถ้าพวกเขาไม่ให้ยืมเราค่อยกลับบ้านกันแบบนี้ตกลงไหมครับตอนนี้ถึงเวลาขอขาดบาดตายแล้วแต่สองแม่ลูกคู่นี้ยังมานั่งปรึกษาหารือกันอย่างไม่รีบร้อนพ่อหนิวซูเฟินได้ยินแบบนั้นก็เห็นดีเห็นงามด้วยอย่างไรเสียก็บอกว่ายืมถึงเวลาจริงก็ไม่ต้องคืนสักหยวนเดียวนางพยักหน้าตกลงอย่างเสียไม่ได้ก็ได้งั้นแกก็ไปเถอะโจวเจียนเยี่ยหมุนตัวเดินจากไปหนิวซูเฟินยังคงด่าทอไล่หลังดัจจริต ขานเงินในบ้านไปตั้งเท่าไหร่ถ้าวันหน้าแกหามาคืนไม่ได้ล่ะ ก, ก็คอยดูเถอะฉันจะตีแกให้ตายโอยเสียดายเงินจะตายอยู่แล้วเวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีแล้วสถานการณ์ของหลิวเคอเคอร์อในห้องรอคลอดเข้าขั้นวิกฤตนางถูกความเจ็บปวดรุมร้าวจนตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งนางนึกว่าคลอดเสร็จแล้วเสียอีกแต่พอเห็นว่าท้องยิงโตอยู่ก็แทบจะสลบไปอีกรอบฮือฮือฉันไม่คลอดแล้วเจียนเย่ A. ลิวเคอเคอร้องเรียกอย่างอ่อนแรงพยาบาลสาวสองคนที่เฝ้าอยู่ข้างๆดูเหมือนจะไม่ได้ยินสิ่งที่นางพูดพวกนางหันหลังให้เตียงคนแค่แล้วสุบสิบกันฉันนี่เคยเห็นผู้ชายกับแม่สามีบ้านไหนเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเด็กในท้องไม่ใช่ลูกหลานบ้านเขาหรือไงบอกว่าจะไปหาทางยืมเงินผลปรากฏว่าหายไปเป็นชั่วโมงยังไม่กลับมาฉันว่าแปดเก้าส่วนคงทิ้งคนไว้ที่โรงพยาบาลแล้วไม่สนใจแล้วละ่ะนั่นสิเห็นว่ารังเกียจที่ในท้องเป็นตัวล้างผานหรือว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยไปตรวจมาแล้ว ต้องตรวจที่ไหนกันหล่ะคนรุ่นเก่านะแค่มองแวบเดียวก็ดูออกแล้วว่าในท้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จริงนะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็น่าสงสารเกินไปสงสยัยถึงเวลาตายคงยังไม่รู้ตัวเลยว่าตายเพราะอะไรใครจะไปรู้ละ่ะพวกนางพูดถึงใครกันหลิวเครอรเคอเจ็บจนสูดหายใจเข้าลึกๆหมายถึงนางนั้นหรือนางกาลังจะตายแล้วใช่ไหมหลิวเคอเคอร์อนึกเสียใจขึ้นมาถ้าตอนนั้นนางไม่แต่งงานกับโจจี้นเย่ยก็คงดี ตัวอย่างของหลีชิงผิงก็มีให้เห็นอยู่ทนโท้แต่นางกลับไม่ดูให้ดีเองคนประเภทไหนก็เป็นคนประเภทนั้นนางเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกไม่ได้นาะหลิวเคริรเคิรยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยยังมีลูกในท้องอีกจะให้ลูกไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกนี้ไม่ได้ช่วยด้วยหลิวเคริรเคิรเค้นเสียงตะโกนออกมาไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนนางคว้าขอบเตียงทั้งสองข้างแล้วเขย่าอย่างบ้าคลัง่งจนในที่สุดพยาบาลก็หันมาสนใจเอ๊ะ คุณฟื้นแล้วหรือตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างให้เราตามหมอมาอธิบายสถานการณ์ให้คุณฟังไหมตอนนี้คุณค่อนข้างอันตรายนะค่ะหลิวเคอเคอร์อสูดลมหายใจลึกนางยื่นมือไปคว้าแขนพยาบาลไว้แน่นขอร้องละฉันได้โปรดฉันอยากมีชีวิตอยู่วางใจเถอะขอแค่รอให้สามีคุณไปจ่ายเงินเราจะรีบจัดเตรียมการผ่าตัดให้ทันทีฉันไม่มีเงินผ่าตัดหลิวเคอเคอเจ็บจนสติเริ่มเลือนรางนางกัดปลายลิ้นตัวเองเพื่อให้ตื่นตัว ฉันจะคลอดเองไม่เป็นไรถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบเองตอนนี้ถ้าเด็กไม่ปกติคุณคลอดเองไม่ได้หรอกได้ฉันจะลองดูก็ได้งั้นคุณรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจะออกไปตามหมอมาเรื่องแบบนี้ต้องให้หมอเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายพยาบาลอย่างพวกนางพูดไปก็ไม่มีผลข้าขอบคุณมากฉันว่าคุณเก็บแรงไว้หน่อยเถอะเมื่อกี้คุณใช้แรงไปจนหมดแล้วพยาบาลอีกคนอยู่เป็นเพื่อนหลิวเคอเคอพลางถอนหายใจ เกิดเป็นผู้หญิงคลอดลูกใครบ้างไม่ลำบากขอแค่คุณร่วมมือกับเราเราจะช่วยลดความเจ็บปวดให้คุณให้มากที่สุดคลอดออกมาเร็วเท่าไหร่คุณกับลูกก็จะปลอดภัยตอนนี้เด็กอยู่ในท้องนานเท่าไหร่พวกคุณทั้งคู่ก็จะยิ่งอันตรายหลิวเคอร์เคอร์ไม่ได้พูดอะไรแต่นางฟังสิ่งที่พยาบาลพูดในยามที่ต้องเผชิญกับความเป็นความตายคนนอกยังดูพึ่งพาได้มากกว่าโจจี้นเยี่ยเสียอีกหนิวซูเฟินรออยู่ข้างนอกจนแล้วจนเล่า ในที่สุดโจเจี้ยนเ ย, ย่ก็กลับมาสีหน้าของเขาดูแย่มากไม่ต้องถามก็รู้ว่าคงยืมเงินไม่ได้แน่แกเห็นหรือยังขนาดบ้านเดิมของหลิวเคอเคอยังไม่เอาหล่อดเลยเราก็อย่ามาเสียเวลาที่โรงพยาบาลต่อเลยกลับไปค่อยว่ากันโจเจี้ยนเ ย, ย่ไปยืมเงินครั้งนี้กลับต้องกินให้าตระกูลหลิวยืนกรานว่าลูกสาวที่แต่งออกไปก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปแล้วจะตายก็เป็นคนของตระกูลโจพวกเขาไม่เกี่ยวโจเจี้ยนเย่พูดจนปากเปียกปากแฉกก็ยังโน้มน้าวพวกเขาไม่ได้ ไม่มีทางเลือกทางโรงพยาบาลยังรอยอยู่โจเจี้ยนเ ย, ย่จึงต้องรีบปรับมาตัดสินใจอืมก็ได้ครับผมจะไปบอกหมอเดีย๋ยนี้โจเจี้ยนเย่ยกาลังจะเดินไปอย่างจนใจแต่พยาบาลกลับเดินตรงมาหาเขาเสียก่อนยินดีด้วยยินดีด้วยภรรยาคุณคลอดลูกสาวตัวอ้วนจำมามให้คุณแล้วมีหน้าละตอนคลอดถึงได้ลําบากนักแม่หนูน้อยคนนี้เขาอบสวยเชียวแหละปฏิกิริยาแรกของโจเจี้ยนเย่ยคือถอนหายใจอย่างโล่งมอคลอดออกมาได้ก็ดีแล้วแต่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกตเขายังไม่ได้จ่ายเงินเลยใครเป็นคนออกเงินให้ โจเจี้ยหันไปมองหนิวซูเฟอร์นางเบะปากอย่างรังเกียจฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันว่าแล้วเชียวว่าต้องเป็นตัวล้างผลาญเสียงเงินไปตั้งเยอะเยยตัวซวยผมยังไม่ได้จ่ายเงินเลยโจยเจี้ยรู้สึกงงหรือว่าจะมีผู้ใจบุญคนไหนสำรองจ่ายให้ก่อนคนแรกที่โจเจี้ยนึกถึงคือพวกหลี่ชิงผิงเพราะมีเพียงนางเท่านั้นที่มีความสามารถพอไม่ได้ผ่าตัดหรอกคะเธอคลอดเองตอนนี้คุณแค่ประจ่ายเงินค่าย า, ยาไม่กี่สิบหยวนก็พอ พยาบาลผู้จบก็ส่งเด็กให้เขาอุ้มให้ดีๆล่ะอ้อครับครับโจจี้นเย่ก้มลงมองทารกตัวน้อยผิวสีชมพูในอ้อมแขนช่างน่ารักเหลือเกินตอนเสียวมานเกิดมาใหม่ๆเป็นแบบนี้หรือเปล่านะพอแล้วมีอะไรน่าดูนักหนาหนิวซูเฟินเดินเข้ามาแม้แต่จะมองนางก็ยังไม่อยากมองไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนนะแม่ครับแม่จะรีบกลับไปทาไมที่บ้านก็ไม่มีธุระอะไรทาไมแม่ไม่ยอมอยู่ดูแลเคอเคอที่โรงพยาบาลล่ะ โจจีจ้นยียดูแลเด็กทารกกับผู้หญิงเพิ่งคลอดไม่เป็นอีกอย่างทางกองทัพก็ลาพักไม่ได้ตอนนี้ค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเขาเพียงคนเดียว